คัณบุปรกรณ์เป็นไงทำไม่ได้หรอทาไม่ได้ดูไปอย่างที่มันเป็นมันเจริญก็รู้นะไม่ดีใจมันเสื่อมก็รู้ไม่เสียใจรู้ไปอย่างที่มันเป็นอย่าไปบังคับนะอย่าน้อมไปสู่การบังคับนี่ เป็นไงอย่าไปบังคับนะยังแข็งอยู่หลวบไหมค่อยค่อยรู้ไปรู้อย่างที่เขาเป็นที่จริงการปฏิบัติทำไม่ได้มีอะไรยากเลยเราชอบวาดภาพว่ามันยากมันต้องทําอะไรจริงไม่ได้ทําอะไรหรอกหน้าที่เราไปเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรียนรู้อย่างที่เขาเป็น รู้ไปเรื่อยๆจนใจยอมรับความจริงเราไม่ได้สู้กับอะไรเลยเราสู้กับความเห็นผิดของตัวเองในเบื้องต้นเนี่เราสู้กับความเห็นผิดของตัวเองแต่เรามีความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรานัก็เราต้องมาคอยรู้กายมารู้ใจบ่อยๆจนเห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราเวละความเห็นผิดได้ก็ชนะยกที่หนึ่งแล้ยกนี้สําคัญที่สุดเลย ถ้าคนไหนผ่านจุดแรกนี้ได้แล้วที่เหลือมันจะต้องผ่านเองอยังไงก็ไปได้ความยากลําบากที่สุดอยู่อันแรกนี้แหละอันแรกก็คือจะต้องละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราให้ได้วิธีละความเห็นผิดไม่ใช่คิดเอาว่ามันไม่ใช่ตัวเราวิธีละความเห็นผิดมีอันเดียวรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจบ่อยๆรู้ไปจนเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอก ไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยเป็นเรื่องธรรมดาสมเหตุสมผลนี้ถ้าเราไปคิดจะทําอย่างโน้นทําอย่างนี้นะเราปรุงแต่งปรุงแต่งฝ่ายดีไปเรื่อยพยายามบังคับกายพยายามบังคับใจปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้มันง่ายง่ายจนยากง่ายจนนึกไม่ถึงครูบาอาจารย์สมัยก่อนหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านบอกนะว่ามันง่ายง่าย ท่าก็บอกด้วยไม่ต้องทำอะไรถ้าเรามีสติขึ้นมาแล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้รู้กายรู้ใจได้แล้วให้รู้บ่อยๆท่านบอกมันเหมือนผลไม้ที่รอเวลาสุกงอมถึงเวลามันสุกเองมันล่วงหล่นของมันเองไม่ใช่พยายามไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาหลายวงสอนมาอย่างนี้นะสอนหลวงพ่อมาอย่างนี้หลวงพ่อก็จามาสอนพวกเราต่อจริงไม่ได้ทาอะไร รู้กายรู้ใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเราจะเห็นในร่างกายมันทำงานทั้งวันจิตใจมันทำงานทั้งวันรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจการปฏิบัติไม่เกินกายกับใจของเรานี่เองถ้าเราเกินกายเกินใจของตัวเองออกไปก็ไม่สามารถละความเห็นผิดว่ากายกับใจไม่ใช่เราอย่างเป้าหมายแรกเลยต้องละให้ได้ความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราสู้กับความไม่เข้าใจของเราเอง อาจารย์นะพิธรมบางท่านถึงจะอสอนบอกว่าตัวศาสนาพุทธจริงๆไม่ใช่อะไรเลยคือตัวสัมมาทิฏฐินีนน่ความรู้ถูกความเข้าใจถูกเล้่ยเราก็สู้กับความเข้าใจผิดของเราเองใหม่ๆเราก็เข้าใจผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราก็มาเฝ้ารู้พอเรามีสติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นคนไหนรู้สึกตัวเป็นเยจะเห็นทันที ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเพราะการเห็นว่ากายไม่ใช่เราเป็นเรื่องง่ายๆ่ายรู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นแล้วว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่จะเห็นไม่ได้ว่าจิตไม่ใช่เราต้องคอยรู้คอยดูไปนานนาน yourselves. แล้วจะเห็นจิตเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยคอยรู้คอยดูไปเป็นวันหนึ่งก็รู้ว่าจิตไม่ใช่เราละความเห็นผิดได้ว่าขันท่าเป็นเราต่อไปเราก็เห็นผิดต่อไปอีกเห็นผิดอย่างอื่นลึกซึ้งต่อไปอีกเช่นเราจะเห็นผิดบอกว่า จิตเนี่ยถ้าเรารักษาไว้ได้ดีเราจะมีความสุขถ้ารักษาได้ไม่ดีนะมันจะมีความทุกข์จิตไหลไปกาออารมณ์มันจะทุกข์จิตมีความอยากมีความยึดมันจะทุกข์จิตที่มีความรู้ตื่นเบิกบานไม่ทุกข์จะรู้สึกอย่างนี้อีกนี่ก็รู้สึกผิดอีกนะความเห็นผิดมีเยอะแยะเลยเป็นระยะระยะไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าจิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างท่านสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์ จุดสุดท้ายเลยที่จะละาอาวิชชาคือการเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์นั่นแหละอวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราจะรู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขว่างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้า ง, า ง, างฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยเราต่อสู้กับความหลงผิดของเราต่อสู้กับความไม่รู้ของเราตลอดสายของการปฏิบัติเลยเบื้องต้นเลยต่อสู้กับความเห็นผิดว่ากายกายใจเป็นตัวเรา เบื้องปลายในต่อสู้จนกระทั่งเห็นความจริงว่าขันห้าเป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์ถ้าเห็นขันห้าเป็นทุกข์ใจถึงจะปล่อยวางขันห้าถ้ายังขันห้าเป็นสุกขบ้างเป็นทุกข์บ้างก็ไม่ปล่อยวางแต่พยายามดิ้นรนหาความสุขพยายามดิ้นรนจะหนีความทุกข์สาลาเต็มแนละ้วผู้สร้างวัดจะทํำยังไงถึงประตูหลังแหละ งสงเตยลงพ่อต้องแจมบัตรจริงๆเนะอะฟังหนึ่งรอบแล้วเชิญกลับบ้านนะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วเนาะมองไม่เห็นแล้วนะเอ้าคุณคณิษฐาเป็นไงมันแหวงอีกหรือยังหาวานหวานติดติดหวานมนนาตั้งแต่วัดโน้นบอกให้หวานมาถามที่วัด น, นี้อ่ะว่าไง ไม่ได้ยินเลยเหรอเอ่ออืมเอ่อหวานหวานแช่ยืนพื้นอยู่อันหนึ่งนะคือจงใจปฏิบัติอยู่อันหนึ่งยืนพื้นไว เพรนั้นใจหวานเนี่ยมันจะนิ่งๆทื่อๆอยู่นิดหนึง่งรู้สึกไหมจะมีส่วนที่นิ่งคงที่อยู่อันหนึง่งนะแล้วก็อันอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตัวที่นิ่งคงที่อยู่เนี่ยคือการที่เรายัางยังไปแช่อ ย, อยู่ยังประคองเล็กๆนะแต่เราเริ่มประคองน้อยแล้วเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นไม่ว่าหวานจะเห็นอะไรนะใช้ได้ทั้งนั้นเท่าเทียมกันทั้งหมดหวานเห็นไหมสภาวะทุกอย่างเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่คงที่ นะหวานเป้าดูต่อไปอีกนะดูอย่างสบายๆนะดูแบบไม่เคร่งเครียดนะถ้าดูอย่างเคร่งเครียดจงใจไปดูเจตนาจะดูมันจะแข็งแข็งขึ้นมานะค่อยๆดูไปมันค่อ ย, ค, อยคลายออกอนะ่คือมันไม่ใสเพราะมีโมหะแทรกนะไม่เป็นไรนะตัวใสๆก็ไม่จำเป็นต้องดีเสมอไป เพราะงั้นทุกอย่างแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูหวานดูแค่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปหวานดูแค่นี้พอละ ว, วันหนึ่งเราก็จะเห็นเลยทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาเว้นแต่ดับไปทั้งสิ้นถ้าโสดาบันรู้แค่นี้เองถ้าโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะถ้าโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็ดับไปสิ่งของไม่เที่ยงทั้งหมดต้องการให้เห็นแค่นี้ อาไม่จไม่จำเป็นนะตรงที่ใสใสก็แช่ได้กิเลส ท, ที่ละเอียดเนี่ยจะใสใ ส, สตรงนี้เป็นเรื่องแปลกแต่เดิมเราคิดว่ากิเลสเนี่ยเป็นตัวมัวมัว <นะ S 1> ถ้ากิเลสละเอียดนะใสนะใสตัววิชานี่ใสามากเลย<ม>คือจิตเราเนี่ยเราจงใจไปดูทั้งหมดนั่นแหละนะจะใสจะมัวอะไรเนี่ยยังเจตนาดูอยู่ ถ้าไม่เจตนาดูเนี่ยใจจะเบิกบานใจจะตื่นขึ้นมาเลยจะไม่มีความเกรงเกรงแข็งแข็งยืนพื้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายัางเจตนาดูอยู่เนี่ยยัมีจุดที่ยืนพื้นแข็งแข็งอยู่นิดหนึ่งของหวานดูออกไหมมีจุดที่ยืนพื้นเออดีนะยังต้องมาบ่อยๆ ท, ที่จะอะไรนะหวานดูในแง่ที่ว่าทุกอย่างอะล้วนแต่ของไม่เที่ยงนะเมื่อทุกอย่างที่ใจเราไปรู้เข้าล้วนแต่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นหวานดูตรงนี้ออกใช่ไหมเงื่อหวานก็เฝ้าดูต่อไปทุกอย่างไหลามาแล้วก็ไหลไปไหลามาแล้วไหลไปดูอยู่แค่นี้แหละแล้วหวานรู้สึกไหมจิตเราเนี่ยไม่คงที่เลยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย หวารู้สึกไหมจิตเนี่ยทำงานตลอดเวลาบังคับมันไม่ได้ดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่ดูเพื่อเอาใส่นะไม่ใช่ดูเพื่อห้ามไม่ให้มัวอันี้ยังแค่แต่ว่าตอนไม่ได้มาที่หลวงพ่อไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ดีกว่านี้อ่าเป็นธรรมชาติมากกว่านี้นะธรรมดานะคุยกับหลวงพ่อก็อ เ, เกรงบ้างแหละ นะไม่เหมือนหลวงพ่อนะแต่ก่อนไปหาครูบาอาจารย์ก่อนจะไปหาหนี่เกรงนะแต่พอเข้าถึงตัวแล้วไม่เกรงแล้วไม่กลัวด้วยหนะลวงพ่อสังไม่ออก ใครฟังออกช่วยแปลให้หลวงพ่อฟังหน่อยคิดสารารู้สึกเสียงเมันกล้องมากมันสูงด้วยเออดีแล้ ว, ลวนะนล่นแดูไปดูอย่างนั้นแหละ ใช้ได้ดูไปเรื่อยๆ อ, อ้าวใครจะส่งกันบ้านหนูไม่กลัวหร อ, อกเนาะเป็นไงไม่ต้องทันหรอกนะ๋ อ, อก็ดูไปหนังแม่มดเนาะ <c oughs> เป็นหนังแม่มดเอรอเป็นทุกคนไหละอ้าวคุณอำนวย เราปฏิบัตินะใจเราเป็นกลางก็มีความสุขก็ถูกแล้วเอาแน่ไม่ได้นะบางคนปฏิบัติเนี่ยพอสติเกิดนะรู้สึกมีความสุขบางคนก็รู้สึกแต่มีความทุกข์มองกายมองขันห่านะั้นมีแต่ทุกข์ล้วนๆแต่ว่าปฏิบัติไปทั้งๆที่มันทุกข์เยอะๆนะมันก็มีความสุขใช่ไหมคุณหมอมันแปลกนะบอกไม่ถูกว่ามันสุขหรือมันทุกข์ คือความจริงของขันน่ะมันเป็นทุกข์แต่ใจของผู้ไปรู้เท่าตันขันน่ะมันมีความสุขมันมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นมันวางขันวางขันมันเห็นขันเป็นทุกข์สุดขีดเลยนะก็วางขันจิตใจก็มีความสุขสุดขีดเลยเนื่อมนเป็นเรื่องแปลกนี้เพราะงั้นเวลาบางคนบอกปฏิบัติแล้วมีความสุขมองจากตัวจิตใจของตัเองบาคนบอกปฏิบัติแล้วเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆเลยไอ้นี่มองในแง่ของขัน มองในด้านของขันขันน่าจะไปมองให้มันสุขไม่ได้ขันนั้นเป็นตัวทุกข์นี้บางวันใจเราก็พลิกไปฟิกมาเดี๋ยวก็มองมุมโน้นทีมองมุมนี้ทีดังนั้นปฏิบัติแล้วมีความสุขมากเลยแต่ปฏิบัติแล้วเห็นทุกข์มากเลยเอไปทํำความสงบบ้างะเดินจงพรมทางความสง บ, บงทำสทามาธิบ้างทางความสงบฟุ้งไป ไไม่เป็นไรการฝึกใหม่ๆจิตมันจะหวือหวานิดหนึ่งเวลาเจอหลงนะจะรู้สึกคอนทราสมากหวือหวา พอเราเห็นบ่อยๆใ่จะเป็นกลางๆไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ที่ทําอยู่ตอนเนี้ยยังปรุงอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมมันมันทื่อๆ อ, อยู่นิดหนึ่งดูออกไหมเออนั่นแหละยังไปบังคับไว้ถ้าบังคับไว้อย่างเนี้ยไม่ว่าจะดูอะไรจะเฉยทั้งหมดเลยคิตนะเหมือนตอนนี้ไหมที่ว่าเฉยๆมันอะไรนะอ่าดูให้มันเห็นความเปลี่ยนแปลงไป แต่ถ้าเฉยนิ่งๆยืนพื้นอยู่เลยเนี่ยเ น, นี้ต้องต้องมาคุยกันละส่วนมากก็คือไปแอบทําขึ้นมาทําปจนชินนะเหมือนกับว่ารู้สึกตัวนะบอกใจเป็นกลางแต่หลูกพ้ทาทำหน้าให้ดูนะกลางแบบเนี้ยนะกลางแบบไม่ยินดียินร้ายอย่างนี้กลางแป้งทำขึ้นมานะไม่ใช่กลางจริงหรอกกลางปลอมอย่าอยากเจอสิ เมื่อไรรู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงในปัจจุบันเพะะนั้นสติก็เกิดละเพราะฉะนั้นอย่าอยากให้สติเกิดนะไม่มีใครสั่งให้สติเกิดได้สติเป็นอนัตตาสติเองก็ตกอยู่ใต้อนัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดแต่ถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นมาเรียนที่หลวงพ่อนะถ้ามาเรียนบ่อยๆจะรู้เลยหลวงพ่อสอนเหตุให้เกิดสติ เหตุให้เกิดสติก็คือการที่จิตนี้จําสภาวะธรรมได้ฉะนั้นมาเรียนที่หลวงพ่อไม่ได้เรียนเรื่องอื่นหรอกเรียนเรื่องสภาวะธรรมเช่นความโลภเป็นอย่างนี้ความโกรธความหลงฟุ้งซ้านปดหูวอิดชา้าดีใจเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์หัดรู้สภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างสภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจคอยหัดรู้หัดดูไปต่ไปจิตมันจําสภาวะได้ ถ้จิตมันจําสภาวะได้เนี่ยพอสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นสติจะเกิดเองทันทีที่สติเกิดเองเสัมมาสมาธิก็เกิดเองจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเลยจิตจะรู้ตื่นเบิกบานจิตจะสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนี่เป็นตัวการเจริญสัญญางั้นเราจะเรียนเนี่ยต้องเรียนจนสติตัวจริงเกิด ถ้ามาเรียนที่หลวงพ่อจะเห็นว่าหลวงพ่อไม่ได้เน้นว่าให้นั่งท่าไหนให้เดินท่าไหนหรือว่าห้ามกินข้าวหรือว่าห้ามนอนอะไรเงี้ยไม่ได้เน้นตรงนั้นเพราะจริตนิสัยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันใครเคยทํากรรมฐานอะไรก็ทําอย่างนั้นแหละถนัดอะไรก็ใช้กรรมฐานอันนั้นแหละจริงแต่ว่าทําให้สติตัวจริงมันเกิดส่วนใหญ่ที่เราทํากรรมฐานแล้วสติไม่ค่อยเกิดก็อะไรก็เราชอบไปเพ่ง เราไปเพ่งใส่ตัวอารมณ์กรรมฐานเช่นเราดูท้องเราก็ไปเพ่งท้องเราดูลมหายใจเราก็ไปเพ่งลมหายใจแล้วขยับมือทำจังหวะเราก็ไปเพ่งใส่มือแล้วเดินจงกรมเราไปเพ่งใส่เท้าเมือเราไปเพ่งใจก็แข็งแข็งื่อๆนะมันจงใจปฏิบัติสติตัวจริงไม่ได้เกิดขึ้นมาสติตัวจริงไม่เกิดจิตใจก็ไม่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิ ผิดไม่ตั้งมั่นไม่อ่อนโยนไม่นุ่มนวลไม่คล่องแคล่วว่องไวไม่ควรแก่การงานฉะน้นเรียนกับหลวงพ่อบางคนฟังแล้วจะงงมาใหม่ๆจะงงนะว่าหลวงพ่อพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องบอกให้ก็ได้หลวงพ่อสอนให้พวกเราหัดดูสภาวธรรมนั่นเองต้องหัดรู้สภาวธรรมสภาวธรรมก็คือตัวรูปธรรมนามธรรมถ้ามาเรียนที่หลวงพ่อบางคนหลวงพ่อก็สอนให้ดูกาย ทำสมสาธิก่อนแล้วก็ดูกายแต่ส่วนมากจะสอนให้ดูจิตใ จ, ใจตัวเองเพราะอะไรเพราะคนที่มาที่นี่ส่วนมากเป็นพวกคิดมากพวกที่ถี่จริตพวกคิดมากวันๆนั่งคิดทั้งวันพวกคิดมากเหมาะกับการดูจิตการดูจิตเนี่ยให้ตามรู้ตามดูไปเลยจิตใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยรู้คอยดูไปเรื่อ ย, ยในที่สุดจิตจะจําสภาวะธรรมได้ เมื่อจิตจำสภาวะทรรได้แล้วพอสภาวะทรรอะไรปรากฏขึ้นมานี่สติจะเกิดเองไม่ต้องแกล้งให้เกิดนะเกิดเองสติที่เกิดขึ้นเองเขามีเหตุคือจิตจำสภาวะได้นี่อัศจรรย์อาภูสนจะดับทันทีเลยภูสนจะเกิดขึ้นทันทีเลยอย่างเรากำลังเผ ล, อ, เลออยู่จิตมันรู้จักว่าเผลอเป็นยังไงมาเรียนที่หลวงพ่อหลวงพ่อชอบไล่นะว่าเผลอไปแล้วเผลอไปแล้วรอะไรก็เผลอเนี่ยเป็นกิเลสที่เกิดบ่อยที่สุดความหลงโมหะ เกิดบ่อยที่สุดงั้นถ้าเรารู้จักว่าเผลอเป็นยังไงเราจปฏิบัติได้แทบทั้งวันแล้วเพราะเราเผลอทั้งวันนี่พอเราจําสภาวะได้เช่นจําว่าเผลอเป็นอย่างนี้ใจเราเผลอเราหลงไปคิดเป็นอย่างนี้พอเรามันเผลอไปคิดปับ๊บสติจะเกิดเจ ะ, ะระลึกได้ว่าเผลอไปแล้วอ้อเผลอไปแล้วนี่อ้อเผลอไปแล้วนี่ยจิตจะตื่นขึ้นในฉับสันโดยที่ไม่ต้องเจตานาจะตื่นเลยนะจิตจะตื่นในฉับสันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลย ใจก็จะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวสมาสมาธิก็เกิดขึ้นเราก็จะเห็นเลยทุกสิ่งนวนแต่ไหลมาแล้วไหลไปผ่านมาแล้วผ่านไปนี่เป็นขั้นเจริญปัญญาในการปฏิบัติเนี่ยขั้นต้นทำให้มีสติขั้นกลางขั้นปลายนี่ทาให้มีปัญญาไปรู้ไปเรื่อยหัดรู้สภาวะนะใจลอยแล้วรู้สึกไหมหนุ่มแถวที่สองเนี่ยใจมันหนีไป ไปดูเขาดูตัวเองใจมันหลงไปคอยรู้สึกนะรู้สึกเรื่อยๆอของคุณเป็นยังไงส่งกลับบ้านเวลากิเลสเกิดรู้ไหมล่ะได้บางๆก็ดีแล้วดีกว่าไม่ได้เนอะคอยดูบ่อยๆนะหาดู้สภาวะไปเรื่อยๆทำความรู้จักสภาวะ เพิ่มขึ้นมาเลยอย่างสองอย่างนานๆไปเราก็จะรู้จักสภาวะเยอะเช่นแต่แรกๆก็ต้องโกรธแรงๆถึงจะเห็นแต่มาขัดใจเล็กๆก็เห็นต่มาอย่างเรานั่งอยู่ในศาลาร่มๆเนี่ยเดินออกจากศาลานะแสงแสงสว่างจ้าๆกระทบเกลือนตาโพสัยสยังเกิดเลยสติเราจะไว้ขึ้นไวขึ้ น, นเราจยาเห็นได้ละเอียดขึ้นกิเลสตัวเล็กตัวน้อยเราก็มองเห็น ตัวโตๆหัดใหม่ๆก็เห็นตัวโตๆก่อนเห็นของหยาบก่อนฝึกมากเข้ามากเข้าจำสภาวะได้เยอะจะเห็นของละเอียดอ้าใครจะส่งกันบ้านอีกเชิญอ ย, อย่าอยากนะเป็นกลางของจิตเนี่ยมีหลายแบบเป็นกลางแบบซื่อบื้อ อย่างเช่นคนคนหนึ่งถูกเขาด่าทั้งวันเลยไยเลยถูกด่าทุกวันทีแรกก็โมโหนะถูก ด, ด่าไปเรื่อยๆเลยใจเป็นกลางเรียกว่ามันมันดื้อด้านไปแล้วอย่างนี้ก็มีนะใช้ไม่ได้อันนี้เป็นกลางแบบที่หนึ่งนี้ใช้ไม่ได้เลยเกลางแบบเคยชินกับกิเลสแล้วบอกเป็นกลางนะอันที่สองเป็นกลางเพราะสมถะเป็นกลางเพราะเราหลับฟองไว้เป็นกลางเพราะเราควบคุมบังคับไว้ เช่นพอความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธให้หายโกรธหรือโกรธน้อโกรธน้อให้หายโกรธพอหายโกรธไปเลยแล้วบอกเป็นกลางกลางอันนี้เพราะไ ป, ไปรักษาไว้ไปประคองไว้กลางเพระสมถะกลางพระสมถะอยู่ได้นานๆนะอยู่ได้นานอันที่สามเป็นกลางเพราะปัญญามีศัพท์อยู่คำหนึงนะ่งในอริยธรรมชื่อตัตมะชัตตาก็เรียกไม่ค่อยถูกนะชื่อมยาว <pouch. S 2> ตัวนี้เป็นกลางก็มีปัญญามันเกิดจากการที่เรามีสตินั่นเองเช่นเราเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นมาเพราชั่วคราวความโลภความหลงก็ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์กุศลน่ะกุศลทั้งห็ของชั่วคราวเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีสติคอยรู้สภาวะบ่อยๆในที่สุดเราจะเห็นเลยสภาวะทั้งหมดเป็นของชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราว ทใ่สุดใจก็เลยเป็นกลางกับสภาวะธรรมกลางชนิดนี้เป็นกลางชั้นเลิศเลยนะกลางชนิดนี้เป็นกลางที่ใกล้กับมรรคนิพพานนะ้เป็นกลางเข้าพปัญญาเริ่มคักใๆฝึกใส่กลางเข้าพปัญญาไม่อยู่นานนะอยู่ทีละขณะทีละขณะหรอกเดี๋ยวก็กลางเดี๋ยวก็ไม่กลางเดี๋ยวก็กลางเดี๋ยวไม่กลางนะดูไปเรื่อยในสุดเข้าไปสู่ความเป็นกลางทําไมมันไม่กลางสาวบอน กระทั่งภาวนาเก่งมากๆเลยนะจิตเข้าไปถึงสังขารุเบกขาญาณเป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางต่อสังขารมีปัญญาเนะีเลยเป็นกลางต่อสังขารสังขารุเบกขาญาณเองเป็นโลจียาณยาเสื่อมเป็นของเสื่อมได้เพราะฉะนั้นเราภาวนาเนี่ยเราสปีดตัวเองมาด้วยจนถึงสังขารุเบกขาบางคนก้าวกระโดดข้ามไปเลยอันนี้พ้นไปเลยเกิดมรรคเกิดผลไปเลยบางคนยังไม่เกิด ไปทรงตัวอยู่ที่สังขารุเบขาช่วงหนึ่งก็เสื่อมเสื่อมลงมาอีกเสื่อมมาอีกทำอีกขึ้นไปอีกเพนั้นหน้าที่เราไปฝึกรู้สภาวะไปเรื่อยๆจกนกระทั่งในที่สุดจิตเป็นกลางต่อสภาวะความเป็นกลางต่อสภาวะนี่ไม่ใช่กลางแบบทื่ๆเป็นกลางด้ไม่มีความสุขด้วยเป็นกลางแล้วก็อิ่มเอิบไปด้วยเป็นกลางไปด้วยอิ่มเอิบไปด้วย เป็นกลางต่อสังขารแต่จิตใจนั้นอิ่มเอบเบิดบานนะ่นเป็นสภาวะธรรมที่แปลกแต่ถ้าเป็นกลางแบบจิตใจแห้งแรงแข็งกระด้างนี่กลางจอมปลอมเช่นหวงพอทำหน้าให้ดูนะต้องทำหน้าเราดูจิตไม่เป็นต้องดูหน้าเป็นกลางกลางนะกลางกลางอย่างนี้กลางปลอมนะกลางปลอมกลางแก้งทำเป็นกลางจริงๆกลางข้อปัญญา ปัญญาเกิดจากการที่เรามีสติ น, นั่นเองมีสติรู้กายรู้ใจเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเล้วนแต่ผ่านมาผ่านไปเลื่นแต่เป็นของชั่วคราวความสุข ก, ก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวแต่ก็เป็นกลางแต่เดิมไม่ชั่วคราวถ้านะชั่วคราวเช่นความสุขเกิดขึ้นก็ยินดีความทุกข์เกิดขึ้นก็ยินร้ายไม่เป็นกลางเราไม่เป็นกลางทําไงให้รู้ทันอีก ความตกเกิดขึ้นใจเรายินดีรู้ทันว่ายินดีความยินดีก็จะดับไปอันนี้ดับเพราะการที่มีสติไปรู้เข้ายังไม่ใช่ดับเพราะปัญญาจริงๆโอ้ธรรมะสนุกนะมีหลายขั้นหลายตอนค่อยๆเรียนค่อยๆฟังไปสนุกมากหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพอ่อศึกษาจากครูบาอาจารย์ไม่เคยให้ครูบาอาจารย์บังคับให้ปฏิบัติเลย ลูกศิษย์คนไหนบอกหลวงพ่อว่าถพอไม่เจอหลวงพ่อแล้วมันขี้เกียจสติบททัติร์ตเฉยลูกศิษย์ชนิดนี้ใช้ไม่ได้เลยนะหลวงพ่อไม่ปรับรื้มเลยทำไมหลวงพ่อหักเกียรติครูบาอจารย์ครูบาอจารย์ไม่ต้องควบคุมมันสนใจที่จะรู้กายสนใจที่จะรู้ใจค่อยดูของเราเองนี่แหละไม่ต้องมีใครมาเชื้อเชิญหรือบังคับให้เราดูค่อยๆฝึกไปเดจนเข้าใจความเข้าใจมันมากขึ้นมากขึ้นนะค่อยฝึกไป นุกที่สุดเลยปฏิบัติความรู้ความเข้าใจเปลี่ยนแปงไปเรื่อยๆอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์จริงๆอย่ยงใครไปอ่านถ้าใจผิดดกอ่านถ้าสูตรอะไรนี่อ่านง่ายหน่อยอพี่ทําอ่านไม่รู้เรื่องหรอกอ่านยากอ่านถ้าสูตรเนี้ยอ่าแล้วจิตใจเบิกบานมีความสุขแหมรู้สึกว่าเข้าใจธรรมะมาปฏิบัติไปช่วงหนึ่งกลับไปอ่านอันใหม่อันเดิมนั่นแหละกลับไปอ่านครั้งใหม่ ความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมจยไม่เหมือนเดิมงั้นธรรมะเนี่ยลึกซึ้งธรรมะลึกซึ้งประโยคเดียวกันเราศึกษาแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันความเข้าใจจะไม่เหมือนกันหลายคนอ่านหนังสือหลวงพ่อท้าเลยนะหนังสือที่หลวงพ่อเขียนที่ว่าอ่านรู้เรื่องอ่านรู้เรื่องลองมาปฏิบัติแล้วกลับไปอ่านใหม่ก็จะรู้เรื่องอีกอ่ะรู้เรื่องไม่เหมือนเดิมแล้วคราวนี้ถามว่ารู้เรื่องเก่าผิดไหมที่เคยรู้มาไม่ผิดหรอก รเรื่องมาครั้งแรกก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกไปตามชั้นตามครูเอาภาวนาไปช่วงหนึ่งกลับไปอ่านใหม่ก็รู้เรื่องอีกแล้วแต่รู้เรื่องไม่เหมือนเดิมอย่างหลวงพ้อแต่เดิมเข้าใจอ่านอริยสัจสี่ก็ทุกสมุ ท, ท, ยทัยนิโรธมากับเข้าใจเข้าใจภาวนาไปเรื่อยๆถึงรู้ว่าไม่เข้าใจหรอกอริยสัจสี่ลึกซึ้งที่สุดเลยอย่างท่านสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์ ทั้งๆที่เราเห็นทนโทษว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายังบอกว่าเข้าใจนะาเมื่อไหร่เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์เมื่อไหละถึงจะเข้าใจจริงเข้าใจทุกข์แล้วยังต้องแจ่มแจ้งนิโรธอีกไม่เหมือนกันอีกเดี๋ยวญาติโยมรับผ่อนนะที่นี่ไม่เหมือนที่เก่าแล้วนะที่นี่เราคนเยอะขึ้นมากหลวงพ่อบอกวิธีการให้หน่อยหลวงพ่อจะให้ผ่อนเลยนะ รอให้พรเสร็จแล้วพวกเราไปที่ศาลาเรียมผ่านข้าวเลยนะไม่ต้องรอให้พระตักนะทำไมหลวงพ่อบอกไม่ต้องรอรู้ไหมพราอาหารเยอะขึ้นทุกวันเลยหลวงพ่อต้องมาตักให้พวกเราดูทุกวันนะหลวพ่อสงสารใช่ไหมคนนี้เอามาก็อยากให้ตักนะโอ้หลวงพ่อตักหลวงพ่อจะเดินไม่ไหวอยู่ <c oughs> เอวจะเลี่ยงอยู่แนละ้ว <c> เ <oughs> งินพอพวกเรารับพรนะไปรอที่ศาลา พวกห น, หนุ่มที่แข็งแรงรอที่บันไดนะเดี๋ยวส่งฐานอาหารต่อกันไปนะแล้วก็ไปทานข้างนอกเลยนะอ่ารับถอนนะยะถ า, าวาริวาหาภูราปาริปูเรนตีสักปรังเอวาเมวาอิโตินัางเปตานางุปะกปตีอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุ สัพเเปูเรนตูสังกัปปจันโทปันนารโสยธ า, ามนิโชติระโสยธ า, าสัพพีตโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโคปวะอาภิวาธนาศีริสนิจจังุทาปจายโนจัตตารุธรมาวันตีอายุวันโนสุขัง พัดลางภาวะตูสะพระมังค์ลางหักขันตูสะพเทวตาสะพรพุทธานุภาเวนะสะพรธรรมานุภาเวนะสะพรสังขานุภาเวนะสดาโสธวันตเต